ันั้นบางคนเนี่ยจึงคนที่ไม่มีปัญญาก็ดูถูกความเกิดขึ้นแห่งชีวิตของตนไม่รู้ว่าตัวเองนี่ได้มาโดยแสนยากสองไม่รู้ว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้เกิดขึ้นในโลกยากขนาดไหนสาม กว่าจะมีบุญได้โอกาสเนี่ยนะเรานี่มีชีวิตสองมีพระธรรมแล้วได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นของยากอย่างที่สี่เนี่ยนะเมื่อฟังแล้วใยที่จะรู้จริงไหมใยที่จะรู้ใยที่จะเห็นใยที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามากไหมเนี่ยนะน้อมไปเพื่อรู้เห็นตามที่พระองค์บอกไหมแต่ว่าแต่ละอย่างเป็นของยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พูดคําว่ายากนี้แปลว่าอย่าคาดหวังใช่ไหมก็เลยปล่อยปลาละเลยช่างมันเถอะมันยาก อธิบายได้นี่พระพุทธเจ้าอย่างว่ายากเลยเพราะฉะนั้นเราจะาจะประมาทบ้างก็ไม่เป็นไรพง์ก็ว่ายากอยู่แล้วเนี่ยน ะ, ะถ้าคิดอย่างนี้เขามาก็ขอความแสดงความการุณาด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คนแบบนี้เจอกันครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วละว่างั้นนะว่าทําไมกลัวติดเชื้อเนี่ยนะเอาเชื้อเนี่ยมันถือว่าอันตรายมากที่สุดใช่ไหมกว่าจะนึกได้ทีอ้าว ทำสอนหมดไปแล้วเนี่ยนะกว่าจะนึกตึ่ได้ทีอ้าวเกือบเกือบจะจุติอยู่แล้วเนี่ยนะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเลยเพราะอะไรเพราะมัวแต่ไปทํากิจกรรมที่ไม่เป็นแก่นสารเนี่ยนะเรียกว่าเลือกบริโภคไม่เป็นเนี่ยนะเลือกเลือกเห็นไม่ได้เลือกฟังไม่ได้เลือกพูดไม่ได้เลือกคิดไม่ได้เลือกทําไม่ได้ถ้าเลือกทํากรรมไม่ได้จะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลที่เราเกี่ยวข้องนี่นับว่าสําคัญมากจะเจริญจะเสริม น, นะจะบรรลุหรือว่าจะใกล้มรรคผลนิพพานหรือจะห่างมรรคผลนิพพานเราก็ต้องดูว่าคนที่เราเกี่ยวข้องนี่เป็นอย่างไรแต่นีน้อย่างไรก็ช่างขอให้ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจา้าเพราะพระองค์เกิดขึ้นมาแล้วในโลกเนี่ยนะพระองค์เป็นยังไงบ้างพระพุทธเจ้าเป็นยังไงข้อ454เนี่ยนะอิ ท, าตาทาัตถะคัโตโลเกเนี่ยนะพระตถาคตคือใครคือผู้ที่เสด็จมาอย่างนั้นมาด้วยการอ่ารวบรวมธรรมะสมุทัยแปดประการสร้างบารมีสิบ อุปปารมิสิปรมัตถปาฏิภสมิสิเนี่ยนะมหาบริจาคห้าอธิฐานธรรมเป็นต้นจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์อรหันต์ไกลาจากกิเลสกําจัดข่าศึกคือกิเลสตรัสรู้ทำที่ควรรู้ยิ่งทำที่ควรกําหนดรู้ทำที่ควรละทำที่ควรทําให้แจ้งทำที่ควรเจริญพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามวิชาแปดบริบูรณ์ด้วยจารณะสิบห้าไปสู่อมตะนิพพานไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไปเพื่อ เพื่ออะไรไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์ผู้รู้แจ้งทั้งสัตว์ตวัโลกสังขารสโลกโอกาสโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษเนี่ยนะฝึกอย่างฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาให้เขาบรรลุมรรคผลพระองค์เป็นผู้ทรงคุณไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเป็นศาสด า, า, าพาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้ามพ้นจากวัตตะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้กำจัดราค่าโทสะโมหะแล้วก็ปลุกให้สัตว์อื่นเตื่น รู้เห็นอริยสัจเป็นผู้จำนแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะพระตถาคตรพระองค์นั้นทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแลว้วพระองค์ก็สอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามก็แปลว่าพระองค์เนี่ยรู้แจ้งทุกอย่างแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามวิธีสอนของพระองค์สอนอยังไง พระองค์แสดงธรรมแล้วไพเราะในเบื้องต้นเรียว่า ง, งามในเบื้องต้นด้วยศีล ส, สมาธิเนี่ยนะศีลวิปัสสนางามในท่ามกลางด้วยอริยมรรคงามในที่สุดด้วยอริยผลและนิพพานประกาศพรหมจรรคืออริยมรรคพร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะ่ยนะเครห บ, บดีหรือบุตรของเครห บ, บดีผู้เกิดในภายหลังอาจจะเกิดจากสกุลใดสกุลหนึ่งได้ฝังธรรมนั้นเข้า คือได้อันนะนัได้พกได้เกิดมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าได้ฟังอะไรได้สมัยใหม่ก็เรียกว่าได้ฟังพระไตรปิฎกได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาในพระตถาคตว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่ตรัสรู้แล้วก็สอนธรรมเพื่อให้เราตรัสรู้ตามพระองค์เนี่ยข้ามแล้วก็ยังสอนธรรมเพื่อช่วยให้เราข้ามพระองค์ฝึกแล้วก็แสดงธรรมเพื่อ การฝึกแก่เราทั้งหลายมันก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธคุณทั้งหลายเมื่อมีศรัทธาอย่างนั้นก็ตระหนักว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลีคือราคาเป็นต้นบรรประชาเนี่ยเป็นทางที่ปลอดโปรง่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์คืออธิสีนอธิจิตอธิปัญญาให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่เขาขัดดีแล้วไม่ใช่ว่าจะทาง่ายเนี่ยนะ คิดนะนะในคนคนเดียวกันนะอย่าไปเอาเราอาเราไปเปรียบกับคนอื่นเนี่ยนะอ่ะคนคนเดียวกันเนี่ยถ้าเราอยู่ในเพศนักบวชกับเป็นคารวนะไหนจะศึกษาง่ายกว่ากันโดยส่วนตัวนะเห็นไหมอยู่ที่สถานที่ฟังธรรมกับอยู่ที่เลือดทั่วๆไปอันไหนจะได้ฟังธรรมมากกว่ากันแล้วก็คาดสารดูนะแต่บางคนเขาบอกว่าเขาเป็นคารวะเขาก็ศึกษาได้ก็ก็แล้วแต่ใครนะถ้าคนมีบุญก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนบุญน้อยนี่ก็มองเลยว่า แหมเป็นค า, ารวาสเนี่ยมันยากแท้เนี่ยนะแต่หลายคนก็บ่นให้ฟังแบบนั้นแหละนะมันก็เลยคิดว่าเออถ้าะไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งหม่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรปะชิตเนี่ยนะก็เลยคิดจะบวชสมัยต่อมาเขาก็ละกองพวคสมบัติน้อยใหญ่เนี่ยนะก็ละเท่าที่มีนะละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งหม่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรปะชิต อันนี้เราสังเกตดูว่าสมัยก่อนที่เขาออกบวชหนึ่งเขาเข้าใจพระพุทธคุณสองเขาได้ฝังธรรมรู้ความประสงค์ของพระธรรมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนเพื่ออะไรแล้วมองเห็นวิถีชีวิตของตนว่าไม่เหมาะที่จะประพฤติธปฏิบัติเพื่อจะได้ตรัสรู้ตามพระองค์ไม่ง่ายเลยเนี่ยนะแต่สังเกตดูในธรรมะเหล่านี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ว่าชวนคนบวชตะพืชนี่นะไม่ใช่ใช่ไหม ผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะเป็นนักบวชเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ก็เลื่อมใสก็ขอบวชเองเนี่ยนะเพราะมาแทบไม่เคยได้ยินนะ่ยแบบมาบวชสิมาบวช ส, วสิน้อยมากเลยเว้นไว้แต่บางคนเออธรรมะนี้นะเราจะสอนได้กับเฉพาะนักบวชเออเราจะสอนได้เฉพาะคนที่บวชเท่านั้นคนไม่บวชเราสอนไม่ไม่สอนอ น, นะบางพูดกับบางคนเท่านั้นแต่โดยมากก็แล้วแต่มีศรัทธาที่จะบวชไม่ล่า เนี่ยนะเป็นต้นทีนี้บวชแล้วทำไงต่อที่จริงบวชมาจากคำว่าปะวชะเวนรอบเว้นจากความชั่วด้วยกายวาจาใจเมื่อบวชแล้วก็ถึงพร้อมด้วยศึกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย น, นะศึกขาคือศึกขาบทสิ่งที่จะต้องศึกษาและเครื่องดาเนินชีวิตของภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้าง โดยทั่วไปเบื้องต้นยังไงก็ต้องกรร ม, มาบทก่อนหละก็คือละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้วางสาดตราอันนี้เป็นอะไรศีลวารีศีลเนี่ยนะเว้นจากความชั่วทางกายอันนี้แล้วจารีธ์ล่ะมีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังแต่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือแทนที่จะคิดเอาชีวิตของเขากลับอยู่ด้วยเมตตาเละ กรุณาในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนั้นก็จารีดวารีตก็คือเว้นจากการฆ่าวางสาตราวางอาวุธจารีตสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติก็คือเจริญการุณาเจริญเมตตานั่นเองละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤตินตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่จารีดวารีตก็คือเว้นจาก การลักด้วยเจตนาที่เป็นโจรส่วนจารีตประพฤติปฏิบัติก็คือรับเอาแต่ของที่ผู้อื่นให้เส่วนการเว้นก็คือละกรรมอันเป็นฆ่าสึกแก่พรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติหา่างไกลเว้นขาดจากเมธนอันเป็นกิจของชาวบ้านเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกายะละกายะทุจริตสามมาประพฤติกายะสุดจริตสามเบื้องต้นเนี่ยนะที่เป็นฐาน ต่อไปละการผู้เทศเว้นขาดจากการพูดเทจอันนี้เป็นอะไ ร, รศีลวาีตศีลจรีตที่จะต้องปฏิบัติก็คือพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตว์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้แล้วก็เป็นคำพูดที่ไม่ลวงลกูกเนี่ยนะเรียกว่าไม่หลอกลวงตัวเองและผู้อื่นต่อไปละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดปกติแล้วคนส่อเสียด ฟังข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อสร้างความแตกร้าวแต่นี้ไม่ฟังจากข้างนี้ไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนข้างนี้หรือฟังข้อมูลจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทําลายข้างโน้นเนี่ยนะไม่ไม่ทําตัวเป็นเป็นคนคาบข่าวยุแยงให้เขาแตกแยกกันเป็นต้นเพราะฉะนั้นทำกิจจารีตก็คือสมานคนที่แตกร้าวกันส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันกันว่าชื่นชม คนที่พร้อมเพียงกันยินดีคนที่พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินคนที่พร้อมเพียงกันแปลว่ายินดีแต่ความสามคัคคีกล่าวแต่ถ้อยคําที่ทำให้เกิดความพร้อมเพียงสมัครสมานและสามัคคีนั่นเองเรียกนะว่าละคาส่อเสียก็คือละความไม่สามัคคีเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อสร้างความสามคัคคีต่อไปละคาหยาบเว้นขาดจากคาหยาบก็คือ ค, คาด่าทั้งหลายเนี่ยนะ กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักเป็นคำที่จับใจเป็นคำของชาวเมืองเป็นคำที่คนส่วนมากพอใจเนี่ยนะเป็นคำที่คนส่วนมากก็อยากาฟังอะนะักคำเพอเจอเวนขาดจากคาเพอเจอพูดคำพูดที่ถูกการพูดแต่คำพูดที่เป็นจริงพูดอิงอัถะพูดอิงธรรมะพูดอิงวิไนก็คือสังวรวิไนและก็ปหาณวิไนเป็นต้น พูดแต่ถ้อยคํามีหลักฐานมีที่อ้างอิงเป็นคําที่มีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เป็นคําที่พูดแล้วมีแต่ประโยชน์และพูดถูกกาละแปลว่าพูดโดยกาละอันสมควรรู้การรู้เวลาแปลว่าเป็นคนที่ใช้คําเก่งมากนะเป็นคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้เวลาว่าเวลาไหนควรจะพูดอะไรและพูดโดยใช้เวลาที่ สมควรเนี่ยนะที่สมควรเราว่าไม่ย่อเกินไปไม่สั้นเกินไปใช้แต่คําที่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีเกินเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นศีลทางวาจาอันะศีลทางกายแล้วก็ศีลทางวาจาถ้าเท่านี้ก็เรียกว่ากายะละกายทุจริตสามปฏิบัติในกายสุจริตสามละวจีทุจริตสี่อยู่ในวจีสุจริตสี่ น, นะสำหรับใครที่คิดว่าแม้จะเป็นนักปฏิบัตินี้ก็อ่านแต่ละบรรทัปเหล่านี้ให้ดีเพราะการปฏิบัติก็คือการเว้นจากความชั่วทางกายวาจาเหล่านี้และประพฤติคุณงามความดีส่วนรายละเอียดต่อไปก็เป็นเรื่องของพระพิสุพิเศษก็คือเกี่ยวกับพระพิสุอย่างเดียวก็คือเว้นขาดจากการพรากพีชคามและภูตะคมก็คือไม่ตัดต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นนั่นเองแล้วก็ฉันหนเดียวหนเดียวก็คือหมายช่วงเช้าถึง กลางวันเนี่ยนะเว้นจากเว้นขาดจากการฉันอาหารในราตรีก็คือไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาเว้นขาดจากการฉันอาหารในเวลาวิการวิการก็คือตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปก็เรียกว่าวิการนะเว้นขาดจากการฟ้อนราขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัว ที่จริงที่ผ่านมาทั้งหมดจนมาถึงข้อนี้แล้วก็เว้นขาดจากการนั่งบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อันนี้ก็เป็นอะไรเป็นเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีอุโบสถเขาก็จะปฏิบัติอย่างนี้แหละถ้าเป็นสา ม, มเณรก็เพิ่มมาอีกข้อหนึ่งเว้นขาดจากการรับทองแล้วก็เว้นขาดจากการรับเงินแล้วก็เว้นาจากการรับทัญญาหารดิบก็คือไม่รับข้าวเปลือกเป็นต้นเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ เว้นขาดจากการรับสตรีกูมารีเว้นขาดจากการรับทาสีและทาสเว้นขาดจากการรับไรนาที่ดินแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาเว้นขาดจากการประกอบธูตกรรมและการรับใช้กระวมไม่เป็นคนที่เดินข่าวสารทำงานรับใช้ขารวาดเนี่ยนะเว้นขาดจากการซื้อและการขายไม่ซื้อเข้ามาและไม่ขายออกไปเนี่ยนะ เว้นขาดจากการโกงด้วยตราช่างโกงด้วยของปลอมโกงด้วยเครื่องตวงวัดเนี่ยนะแล้วก็เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและก็การตลุกตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองชําการตีชิงการปล้นการกันโชคเนี่ยนะการข่มขู่คู่รีดเป็นต้นไม่มีอันนี้ก็ลักษณะของศีลพูดแต่เพียงย่อเนี่ยนะพูดย่อยๆส่วนรายละเอียดพิสูจนก็ต้องเป็น พระปาติโมกเนี่ยนะปาติโมกนั้งกับปาราชิกสี่สังคาทิเศสส3าอนิยตสองอนปาอนิสิกยปาจิตี30ปาจิตีเิปาฏิเทสนิย4สี่แล้วก็ทุกดกทุกภาสิทเป็นต้นแล้วก็แล้วก็ยังมีจารีตศีลอย่างอื่นอื่นอีกเนี่ยนะตามขันธกะมีอุปชัยวัดอาจารยวัดเสนาสนาวัดเนี่ยนะหรื อ, อวัดในโรงชัน เ, เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องจีวรเรื่องที่อยู R ่อาศัยเรื่องยาเรื่องรองเท้านะก็มีเรื่องอย่างอื่นๆ อ, อีกที่เกี่ยวข้องกับพระพิสูจน์ทั้งหลายแต่สรุปว่าเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีลนั่นเอง